บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีม้วนที่แปดโดยพระอาจารย์บุญมีจันทุปโมครับวันนี้เราก็มาเ อ, อเรียนพระวินัยต่อ อ, อซึ่งวันนี้จะได้พูดถึงนิสกียปารจิตตีอในการที่หกการที่หกนี้ก็เป็นเรื่องของนิสกียปารจิตตีนิสกียปารจิตตีนั้นมีทั้งหมดสามสิบสิกขาบท ด, ด้วยกัน แบ่งเป็นวักวักละสิบสิกขาบทดวักที่หนึ่งชื่อว่าจีวอนวักมีสิบสิกขาบทวักที่สองชื่อว่าโกซีวักมีสิบสิกขาบทวักที่สามชื่อว่าปัตตวักมีสิบสิกขาบทเช่นเดียวกันอจีวอนวักที่หนึ่งนั้นก็มีสิบสิกขาบทก็คือหนึ่งที่สุดทรงอัจเรศจีวอนได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเลี่ยงสิบวันไปต้องนิสกียปาจิตติสองภิกษุอยู่ปรจจาจจะไตรจีวรแม้คืนหนึ่งต้องนิสกียะปาจิตติเว้นไว้แต่ได้สมมตุติสามถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุประสงค์จะทำจีวรแต่ยังไม่พอถ้ามีที่หวังจะได้มาอีกพึ่งเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ให้เกินเดือนหนึ่งไป แม้ถึงยังมีที่หวังจะได้อยู่ต้องนิสกียะปาจิตตีสี่ที่สูใช้นางพิษุณีที่ไม่ใช่ญาติมาให้สักก็ดีให้ยอมก็ดีให้ทุกก็ดีซึ่งจีวรเก่าต้องนิสกียะปาจิตตีห้าพิสูรับจีวรแต่มือนางพิษุณีที่ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันต้องนิสกียะปาจิตตี พกิกษุขอจีวอนต่อครหัตผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปะวารณาได้มาต้องวิสกียักไปเจตีเว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอจีวอนได้คือเวลาพิกษุมีจีวอนอันจนลักไปหรือมีจีวอนอันผิบหายเสียเจบในสมัยเช่นนั้นจะขอเขาได้ก็เพียงผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้น ถ้าขอให้เกินกว่านั้นได้มาต้องนิสกียะปาจิตตีแปดถ้าครหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวรณน า, นาเขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุนั้นทราบความแล้วเข้าไปพูดให้เขาถวายจีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มาต้องนิสกียะปาจิตตีเก้า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 ถ้าภิกษุต้องการจีวรก็พึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่าผู้นี้เป็นวายาวัจกรของภิกษุทั้งหลายข้านเขามอบหมายวายาวัจกรนั้นแล้วสั่งภิกษุว่าถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวายาวัจกรภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่าเราต้องการจีวรดังนี้ได้สามครั้งถ้าไม่ได้จีวรไปยืนพอแต่ เขาเห็นได้หกครั้งถ้าไม่ได้คืนไปทวงให้เกินสามครั้งยืนเกินหกครั้งได้มาต้องนิสกิยะป่าจิตติถ้าไปทวงและยืนครบกาหนดแล้วไม่ได้จีวอนจำเป็นต้องไปบอกเจ้าของเดิมว่าของนั้นไม่สาเร็จประโยชน์แก่ตนให้เขาเรียกเอาของเขาคืนมาเสียนี่ก็เป็นสิขาบทในจีวรนว่า สิบสิขาบทด้วยกันเราก็มาเรียนแต่ละสิกขาบทแต่ละสิขาบทต่อไปว่าอย่างไรในสกิยปาจิตตีคืออะไรเราก็ต้องมาอาทําความเข้าใจกันในในรุ่นนี้ก่อนอนนีสกิยปาจิตตีสัพท์นี้ท่านแยกแปลไว้อสองไหนได้วยกันนะสับว่าปาจิตตียะต้องพูดถึงปาจิตตียะก่อน สำาปา จ, จติยะนั้นท่านแปลว่าการละเมิดอันยังกุศลคือความดีให้ตกได้แก่อบัตบหรือจะแปลว่าวิติกรมะอันยังเกรงก็ได้เป็นได้ทั้งชื่ออาบัตและเป็นได้ทั้งชื่อสิกขาบทตรอาศบว่าในสกิยะนั้นแปลว่าทําให้สละสิ่งของ คือสิ่งใดเป็นเหตุให้ต้องอาบัตก็ทาให้สละสิ่งนั้นอันนี้สับแปลอย่างนี้ก็ก็เป็นคุณบทของป่าจิตตีนะถ้าเป็นคุณบทแห่งสิ่งของก็แปลว่าจำต้องสละ เ, เมื่อรวมทั้งสองสั์เข้าด้วยกันแล้วก็แปลว่าวิติกะมะชื่อว่าปาจิตตีอันทาให้สละสิ่งของ เป็นชื่อของสิกขาบทแปลว่าปรับโทษชื่อนั้นนี่เป็นเป็นความหมายของคําว่านิสตีกับปาจิตตีรวมว่าอ อ, อะไรที่เป็นเหตุให้ต้องอบัตจําต้องสละสิ่งนั้นก็สิ่งที่จะเป็นเหตุให้ต้องอบัตเนี่ก็มีอยู่หลายอย่างถ้าเป็นผ้าเช่นผ้าจีวรก็เป็นเหตุให้ต้องอบัตได้เหมือนกัน เมื่อปาจจกหรือเมื่ออันติเรกเกินกำหนดหรือว่าขอเขาในไม่ใช่สมัยอะ้รเป็นต้นก็เป็นเหตุให้ต้องอาบัติฉะนั้นเมื่อผ้าเป็นเหตุให้ต้องอาบัติก็จำต้องสลาผ้านั้นนะจึงจะแสดงอาบัติตกนะจึงจะแสดงอาบัติตกผ้าเป็นนิสกิยะแต่ว่าเจ้าของ้าเป็นปาจิตีนเจ้าของผ้าเป็นปาจิตีนะ ฉันกนรียกว่านิสกิยาปาเจติตีคือของทีเ่เป็นเหตุให้ต้องสละนั้นเป็นนิสกิยาส่วนเจ้าของเอของสิ่งนั้นเป็นปาเจติตีคือภิกษุก็จําต้องเสียสละจึงจะแสดงอาบัติตกถ้าไม่เสียสละก็แสดงอาบัติไม่ตกถ้าเป็นอาบัติเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นะถ้าเป็นอาบัติอื่นๆที่เกี่ยวกับปาเจติติล้วนอันนั้นก็ต้องแสดงได้นะตามสมควร ในทั้งสิบสิกขาบทในกีวรวักเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาเป็นลำดับลาดับไปอ่สิกขาบทที่หนึ่งที่ว่าภิกษุทรงอัติเลกกีวรได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงหรือเกินสิบวันไปต้องนิสขียะปาิติอาทีนี้คำว่าทรงนี้หมายถึงอะไระทรงนั้นหมายถึงถึงการครองหรือการนุ่งตลอดถึงมีไว้ในกรรมสิทธินะ มีไว้ในกาสิทดิ์เลยทีเดียวทีนี้คำว่อาอัติเรกล่ะอัติเรศนั้นอัติเรศกีวรก็ได้เก่ผ้านอกจากไตรกีวร น, นะนอกจากไตรกีวรเป็นผ้าที่ได้ประมาณควรวิ ก, กับหรืออธิษฐานคือผ้าที่มีความกว้างสีน่นิ้วยาวแปดนิ้วโดยนิ้วพระสุคตเป็นอย่างตามและก็เป็นผ้าที่ พอประสงค์แล้วเรียกว่าอาัสเรเกีวร น, นะผ้าที่เกิดขึ้นแก่ทิกสูงแหละมันนอกจากไตรจีวรที่เราครองอยู่เป็นผ้าที่เ อ, อได้ประมาณตามพระวินัยคําว่าในประมาณก็คือยาว8นิ้วกว้าง4นิ้วของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ผ้าเหล่านี้ก็ไม่ได้กับไม่ได้อธิษฐานไว้ผ้าชนิดนั้ น, เนยเรียกว่าอาัสเตรเกีวรเกิดขึ้นแก่ทิกสุ แล่แล้วก็พิสูจจะเก็บไว้เป็นของส่วนตัวหรือว่าเก็บไว้ในที่อยู่ของตนหรือไม่ใช่ในที่อยู่ก็าตามแต่ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของของพิสุจนั้นได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งนี่พูดถึงไม่ได้อนันิสงอะไรก็เก็บไว้ได้แค่สิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าเกินนั้นไปก็เป็นมิจฉียยะและก็เจ้าของก็เป็นปาจิตติยะนะคือเป็นอบัติปาจิตตอในข้อนี้ก็จะต้อง พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระถินอยู่บ้างเพราะว่าในในบาลีนั้นพูดถึงกระถิน่นด้วยนะพูดถึงกระถินถ้าหากว่าอาิกษุได้อยู่จําพรรษาทู่นไตรมาสครบสามเดือนแล้วจะต้องได้อา น, นิสงส์พรรษาอา น, นิสงส์พรรษาจนมีอยู่เดือนเดียวตั้งแต่แรมค่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดไปถึงกลางเดือนสิบสอง ในช่วงนี้ก็เรียกว่าจีวรทานสมัยบ้างหรือจีวรการบ้างเพราะว่าเป็นสมัยที่ทายกจะพึงถวายจีวรให้พิสุได้ผัดเปลี่ยนจีวรกัดและก็เป็นการที่สงรงอนุาทให้พิสุได้แสวงหาผัดเปลี่ยนจีวรได้ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคือแรมข้ามหนึ่งเดือนส1เ็ดถึงแรงเดือนสิบสององนี้ในช่วงที่ได้อานิสงส์ถินอานิสงส์พันศาเนี่ย พี่สุอัตเล็กจีบอลได้ตลอดหนึ่งเดือนไม่เป็นอ บ, บัตนะไม่เป็นอ บ, บัตเพราะว่ามามในใ น, ในอนิสงส์พันอานิสงส์พันศาบอกว่าเที่ยวไปไม่ต้องเอาตรจีบอรไปครบสําหรับเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่หกอเจนแล้วก็วักอ่าันคณะโปชนะรำปราบโปรชนะได้เออแล้วก็กีวอนัอ้นเกิดขึ้นในทีนั้นเป็นของพวกเธอและอัตเล็กจีบได้ตลอดนะคือสมัติอัตเล็กจีบอลเกิดขึ้นแล้วก็ เก็บไว้ได้ตามความปรารถนางั้นก็เก็บได้ตลอดตึงหนึ่งเดือนทีนี้ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เกิดได้รับกรถินคือได้กรานกระถินเข้าเมื่อได้กรานกระถินเข้าแล้วอานิสงกระถินก็จะยืดไปถึงกลางเดือนสี่นะอานิสงกระถิ่นจะยืดไปถึงกลางเดือนสี่ฉะนั้นอานิสงห้าของกรถินเนี่ยก็เหมือนกับอานิสงห้าอานิสงของการจำพรรษาเหมือนกันก็มีห้าประการเหมือนกัน เที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิขาบทที่หกแห่งอาเจนและะวะ้วก็ว่าเที่ยวไปไม่ต้องนําไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบสําหรับฉันคณะโพชนะรำประโภชนะเก็บปฏิเดกจีวรได้ตามความปรารถนาผ้าเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอนิสงส์ในยืดไปถึงกลางเดินสีฉะนั้นพิสุจะเก็บปฏิเดกจีวรในช่วงนี้ไปถึงกลางเดินสีได้ไม่เป็นอ ბ ัตแต่ที่โทษในสิกขาบทที่หนึ่งนิหมายถึงไม่ได้อานิสงส์อย่างนี้ นะไม่ได้อานิสงส์อย่างนี้หมดนะถ้าหากว่าได้จําปรญษาก็ได้อานิสงส์ไปถึงกลางเดือนสิบสองนะถ้าหากว่าไม่ได้กลางกระถินก็จะหมดแค่นั้นถ้าพลาดเกิดขึ้นแก่พิสุกก็เก็บได้แค่สิบวันต่อไปหรือได้กลางกระถินแล้วอานิสงส์ไปถึงกลางเดือนสี่นะเก็บไปถึงกลางเดือนสี่นอกจากนั้นแล้วพิกสุกจะเก็บได้แค่สิบวันเท่านั้นไม่เข้าใจ คือถ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุเนี่ยนอกจากไตรจีวรที่เราครองนี้เราเก็บไว้ได้แค่สิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าเกินนั้นไปก็เป็นนิจกียะป่ากิตรีอันนี้ให้ฟึนเข้าใจอย่างนี้เนี่ยฟึนเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นก็เรื่องของการเก็บจีวรเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจ ะ, ะมืออยู่โดยมากก็คืออันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาเท่าหาาพูดความจริง ก็คือว่าโดยมากจะมีอยู่กับพระผู้ใหญ่เพราะว่าโยมชอบถวายมากโดยเฉพาะพระอุปัชยยะบวชหน้าทีหนึ่งก็ถวายเป็นใจอะไรต่ออะไรเนี่ยชอบถวายพระอุปัชยยะอุปชยยะบางบางคนนี่ก็บางองค์นี่ก็แม่ผ้าเต็มตูมเต้เลยและก็ไม่ยอมที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเก็บไว้มากมายบางทีก็หนูมันก็ถือเป็นเจ้าของเขาไปกัดทําลายหมดก็มี ก็มีตัวตัวปาตามที่เคยเห็นนั้นอที่จริงอุปชยัยยะนั่นนะถ้าว่าตามหน้าที่แล้วก็ต้องสองเคราะห์เอลูกศิษย์ด้วยจีวรด้วยบาทนะไม่มีก็ต้องหาให้หรือมีแล้วก็ต้องแจกให้ไม่ใช่ว่าเอาไปเก็บไว้เฉยๆหรือเอาไปเก็บไว้จนกระทั่งเสียหรือว่าใครมาบูชาจึงใหอใ้อย่างนั้นอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่ของพระอุปชยัยยะ แอ น, นก็อืมัตรเด็กจีวรในมักจะมีกับพระผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เพราะว่าราบสักระมากส่วนพระผู้น้อยที่บวชมาใหม่ๆบางทีก็ไม่ค่อยจะมีจีวรหม่มโดยเฉพาะพระที่อยู่ในชนบทอยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลาจากความเจริญนี่ก็เคยไปเห็นก็เป็นที่น่าสงสารจีวรมีอยู่เพียงไตรเดียวจะปรับเปลี่ยนก็ลําบากยากอย่างเดียวกันอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสารโดยเฉพาะทางเอจังหวัดที่เอสีสกเกตเนี่ย อหรือว่าจังหวัดที่ชายแดนนี่คนที่ อ, อยู่ในกันดารนั้นอดอรู้สึกว่าค่อนข้างยากจนอยู่จะบวชลูกแต่ละทีจะบุชหลานก็แต่ละทีนี่ก็ยากบวชไม่ได้แม้จะใช้ลงทุนไม่เกินสักสองสามพันก็ทํามไม่ได้อบางทีก็ใครจะบุชให้เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าผ้าเขาไม่ก็จะมีนั้นเรื่องผ้าที่จะเป็นอัติเรกนี้ก็พึงทราบไว้ในการที่จะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะให้ต้องอาบัตินิสกีในผ้าเหล่านี้ก็ต้องเก็บอัติเรกไว้ให้ตามสมควร ทีนี้ถ้าจะไม่ให้ต้องอาบัดก็ทําได้เนะยเช่นผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุเนี่ยภิกษุก็ก็ทําได้ด้วยวิธีการวิกลไว้ให้เป็นของสเจ้าของวิกลไว้กับภิกษุก็ได้ภิกษุณีก็ได้แต่ภิกษุณีไม่มีนะนหรือว่าสัมณ์อะสิขามานาก็ได้สัมมนาสิขามานาก็ไม่มีเขาเป็นผู้หญิงเออแล้วก็สัมนเนรีก็ได้แต่เสือสัมนเนรีก็ไม่มีเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าสัมเณรได้ก็วิกลไว้กับภิกษุกับสัมเนรก็ได้ อวิกัพไว้เป็นของระหว่างสองเจ้าของไม่ใช่ขององค์นั้นไม่ใช่ขององค์นี้เรียกว่าทําการวิกัพเอาไว้เมื่อต้องการจะใช้ก็ถอนวิกัพแล้วก็มาใช้ได้อันนี้ไม่เป็นอบัต์นะไม่เป็นไอเซเรกแหละเราะวิกัพเอาไว้แล้วไม่เป็นอบัต์อะไรฉะนั้นก็ในสี่ขางวดที่หนึ่งนี้ก็ทีกสุอัติเรกนะก็ต้องดูว่าอาัติเรกอยู่ในช่วงไหนก็เป็นอบัติเออเมื่อเป็นอบัติเอแล้วจีวรชนิดนี้ก็จําเป็นจะต้องเสียสละ แปลว่าก็เพิ่งทราบเรื่องของจีวรสักนิดหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจอคําว่าจีวรเนี่ได้กล่าวแในเบื้องต้นนะแต่บางคนก็มักจะหมายเอาจีวรก็คือผืนใหญ่เบอรอที่เราห่มทีจริงคําว่าจีวรนะเป็นเป็นคํากลางๆสําหรับเรียกผ้าทั่วไปนะไม่ได้หมายคก็ว่าคือผ้าที่เรามาห่มคือจีวรผ้าที่มาผ้าบาคือสังขารติหรือผ้าที่นุ่งคือเสบงไม่ใช่อย่างนั้นนี้เรามาเรียกกันที่หลังคําว่าจีวรในภาษาบาลีหมายถึงผ้าทั่วไป แนวะผ้าทั่วไปแอ่ด้นจีวรจึงเป็นวงหารที่ใช้กันอยู่ในหมู่ฟิกสูสําหรับเป็นชื่อเรียกผ้าทั่วไปทุกชนิดเลยตั้งแต่มีความกว้างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วขึ้นไปด้วยนิ้วผ้าสุโคตคือนิ้วพระพุทธเจ้าเป็นกําหนดแห่งผ้านะที่เราจะต้องวิงกลับเป็นอย่างตาำนี่เราเรียกกันว่าจีวรนะไม่ได้หมายความว่าผ้าผมอย่างเดียวหมายเอาผ้าทุกชนิดเลย ทีนี้กําเนดจีวรผ้าที่กําเนิดให้ทําจีวรได้เนี่ยเราก็ต้องเอท่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องท่องให้เข้าใจเอท่องให้จํำนะอ่อยขึ้นใจเลยทีเดียวกําเนิดของผ้าที่ทรงอนุญาตให้ทําจีวรได้เนะีมีอยู่หกชนิดด้วยกันมีหกชนิดด้วยกันก็คือลินโคมังผ้าทําด้วยเปลือกไม้เช่นผ้าลินินรองกัปปาสิกัง ผ้าทาด้วยฝ้ายคือผ้าสามัญทั่วไปก็ใสอย่างผ้าทำด้วยไหมคือแพรกกำพลังทาผ้าทำด้วยขนสัตว์ยกเว้นขนมนุษย์หรือผมมนุษย์เช่นผ้าสกรลาาผ้าผ้าผ้าสารนังผ้าทำด้วยเปลือกไม้สานะเช่นผ้าป่านและก็หกผังคัง ผ้าทำด้วยสัมภาระเจือกันเช่นผ้าได้แก่ใหม่นี้กาเนิดของผ้าที่ต้องอนุญาตให้ทำจีวรได้นจะทำด้วยผ้าที่ทาด้วยเปลือกไม้ก็ได้ทาด้วยฝายก็ได้ไหมก็ได้ขนสัตว์ก็ได้เหมือนกันแต่ขนสัตว์นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เราเอามาใช้หรือว่าผ้าปานผ้า โดยมากผ้าที่เราใช้กันอยู่เป็นส่วนใหญ่ก็คือผ้าทําด้วยฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมนี่ก็มีอยู่ในบางท้องถิ่นเช่นผ้าอิสานก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างจะแพงมากนะเพราะเป็นผ้าที่ดีและก็ทนทานผ้าไหมเรื่องของไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยอรู้ก็คงจะยากหน่อยว่ามันเป็นยังไง อเนต้าหากว่าได้ไปเห็นเขาเลี้ยงไหมก็จะรู้ว่าก็ต้องมีการกระทําอย่างไรบ้างกว่าจะออกมาเป็นเส้นเล็กๆ เ, เส้นที่นำงามที่เอามาทอเป็นผ้าขึ้นมาได้เนี่ยนั้นผ้าหกชนิดไม่เป็นผ้าที่ทรงอนุญาตให้ทําสีบอลได้นี่การเ อ, อที่ว่าทรงอัตเรกให้ล่วงสิบวันไป<ม>นั่นหมายถึงอัจเรกจนถึงล่วงถึงคืนที่สิบเอ็ดนะ เมื่อถึงอรุณขึ้นในวันที่สิบเอ็ดเลยก็เป็นเป็นนิสกิยป า, าเจตีนะเป็นนิสกียป า, าเจตีก็จําต้องเสียสละนะต้องเสียสละให้แก่ภิกษุให้แก่สงฆ์ก็ได้<ม>ให้แก่แอ้ให้แก่คณะก็ได้แล้วแต่นะเสียสละจึงจะพ้นจากอบัตินั้นได้หรือว่าจึงจ ะ, สะแสดงอาบัตตกนะสิขาบทนี้ก็เป็นอาจิตตะกะไม่เจตนาก็ต้องเช่นว่าเรา เข้าใจผิดนึกว่ายังไม่ถึงสิบเอ็ดและยังไม่ถึงสิบวันแต่มันล่วงไปสิบเอ็ดวันแล้วก็ปรับอาบัดเหมือนกันนั่นก็ต้องเสียสลัดนะนี่สิข้าบทที่หนึ่งอันนี้เราก็มาว่าสิข้าบทที่สองต่อเลยอนนันสิข้าบทที่สองนั้นก็คือพิสุอยู่ปราจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งก็ต้องนิสกียัปา ย, ายจิตติไตรจีวร น, นั้นคือผ้าสามผืนนะไตรก็ร้อยสามผ้าสามผืนนะ เรียกว่าตราจีวรก็มีผ้าอันตรวาสกผ้าอันตรวาสกนี่ก็คือผ้านุ่งหรือเราเรียกกันว่าสบายนั่นเองสองอุตราสอ์ผ้าห่มผ้าห่มซึ่งเราเรียกกันว่าจีวรนะที่เราเรียกกันน่แล้วก็สามผ้าสังขารติได้แก่ผ้าคลุมนะหรือผ้าผ้าบ่าเพราะว่าผ้าสังขารตินั้นใช้แต่ละประเทศไม่เหมือนกันเช่นในประเทศพม่า หรือประเทศลังกาเนี่ยเขาก็หมเข้าบ้านแต่ในประเทศไทยนั้นผาดบาไม่เหมือนกันแต่ตามพระวินัย น, นั้นก็พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มีสังฆาฏิขึ้นมาก็เพื่อให้หมกันหนาวนะหมกันหนาวเท่านั้นฉะนั้นเรื่องการเอามาใช้มันก็แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ถือก็เป็นเรื่องผิดอะไรไปนะ นั้นผ้าสามผืนคือผ้าอันตรวสศกได้แก่ผ้ามุ่งหรือผ้าสะบองอุตราสองผ้าห่มคือผ้าจีวรสังฆาติผ้าตรุษผ้าผาาบาสามผืนนี้เรียกว่าไตรจีวรก็มีพุทธานุญาตให้อธิษฐานตามชื่อแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นเผ้าอันอันตรวสศกหรือผ้าสะบองเนี่เราเบื่อเข้ามาหรือได้มาจะต้องอธิษฐานก่อน ทำพินทุหรือทํากับปะเจ ก, ก่อนเมื่อทําพินทุกับปะเป็นจุดหนาด้วยสามสีแล้วก็พึงอธิษฐานไว้เป็นผ้าที่เราจะต้องใช้สอยต่อไปเอผ้าสบงหรือผ้าอันตรวาศกนี่แล้วก็อธิษฐานว่าอิมังอันตระวาสกังอธิษฐานิีหนึ่งครัง้งสงครั้งสามครั้งก็ได้แล้วว่าเราตั้งเอาไว้ซึ่งผ้าอันตระวาศกผืนนี้ หรือว่าเราตั้งเอาไว้ซึ่งผ้าผืนนี้เป็นอันต ร, รมบศกถ้าผ้าอุตราสง์หรือผ้าจีวรก็อธิษฐานว่าอิมังอันอุตราสังคางอธิษฐามิถ้าผ้าสังฆาติก็ว่าอิมังสังฆาติงอธิษฐามินะก็คำแปลก็เหมือนกันแหละนะก็เหมือนแต่เราเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะนั้นเมื่ออธิษฐาน อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผ้าตรายจีวรนะที่เราจะต้องอ่ไม่อยู่ปราศนะไม่อยู่ปราศทีนี้ถ้าหากว่าเกิดมันใหม่เอ้ามันเก่ามันขาดหรือมันอะไรไปบ้างเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถอนออกเสียเครียกกับปัาจุดทะจะถอนสังฆาติหรือจะถอนสบงหรือจะถอนอืมผ้าจีวรก็ต้องว่าตามชื่อเช่นสังฆะติแล้วก็ว่า หมายถึงการถอนก็เราก็ว่าอิมังสังคาตินปัดจุดธารามิแปลว่าเรายกเสียพื้นเลิกเสียซึ่งขัดเอสังคาติผืนนี้อย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างอื่นก็เราก็เปลี่ยนชื่อออกไปนี่นั่นการปัดจากไตรจีวรเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะอยู่อย่างไรที่จะเอะไม่ปราศจากไตรจีวร นี้เคที่ต้องรักษาปลายจีวรเราก็ต้องรู้เพราะโดยเฉพาะพระบทใหม่เอที่ไม่ยังไม่รู้ก็ศึกษาให้เข้าใจจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยเคที่รักษาปรายจีวรกล่าวโดยย่อๆก็คือเช่นเราอยู่ในกุฏิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพิสุถ้าเป็นที่อยู่อพิสุรูปเดียวเราก็กำหนดนะให้ท่านให้กำหนดเอากุฏิเป็นเขตนะ ถ้าเอาผ้าไตรจีวรไว้ภายนอกตนเข้าไปอยู่ภายในหรือว่าทิ้งผ้าจีวรไว้ภายในตอนเที่ยวนอนเสียที่อื่นเช่นนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ปราดจากใส่จีวร น, นะอยู่ปราศจากแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกับในที่เช่นนั้นดังนั้นก็ต้องรู้ด้วยว่าอยู่อย่างไรจึงจะไม่ปราดจากใส่จีวรแล้วเราก็ต้องอยู่ให้มันเออยู่ในกุฏิก็ต้องเอาไว้ในกุฏินะ หรือว่าอยู่ในที่ใดก็เอาไว้ในที่นั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าอสถานที่นั้นมีอย่างไรบ้า ง, ถ, า i, งาาถ้ากตฏิมีบริเวณะแล้วก็มาดูถ้ากตฏิมีบริเวณอที่สูครอบครองอยู่ก็เป็นคืออยู่องค์เดียวอย่างนี้ขั้นให้กําหนดเอาเครื่องล้อมเป็นเขตนะอยู่ในที่นั้นเอาไว้ในเขตนั้นนะก็กําหนดเอาอย่างนี้นกําหนดเอากุฏิเป็นเขตเอากําหนดเอาเอาเขตเครื่องล้อมเป็นเขตของของกุฏินั้น นี้ถ้ากุฏิมีบริเวณเป็นที่อยู่แห่งที่สุหลายรูปเกิดว่าหลังเดียวเนี่ยมีหลายรูปอยู่ด้วยกันนั้นกําหนดเอากุฏิที่ไว้ผ้าไม่มีบริเวณกําหนดเอาห้องที่ไว้ผ้าจนเราอยู่ห้อง้ะหลายองค์เนี่ยมันก็หลายห้องแล้วก็อยู่แต่ห้องเดียวเราอยู่องค์เดียวก็เอาไว้ในห้องนั้นนะนะจะไม่ต้องผมทั้งคืนแต่ว่าเอาไว้ในห้องนั้นก็ไม่เชื่อว่าเป็นการอยู่ปราจิจารณ์นะถ้ากุฏิ เช่นศาลาและที่อื่นๆอันเป็นสาธารณสถานนี่ก็พึ่งกาหนดเอาเวลาใช้รูปเดียวหรือไหลายรูปถ้าว่าอยู่ในสลาซึ่งอยู่หลายรูปในที่เช่นนั้นเราก็เอาไว้ในหัตถบารคือในใกล้เราโดยรอบประมาณสักสอกหนึ่งอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าอยู่ในโคนไม้หรือในที่แจ้งก็พึ่งมีเครื่องล้อมนะดูเครื่องล้อมกําหนดเอาเครื่องล้อม ถ้าไม่มีเครื่องล้อมก็เอาโคนไม้กําหนดเอาแดนที่เงาแผ่ในเวลาเที่ยงหรือที่แจ้งนะหรือที่แจ้งกําหนดเอาด้วยหัตถบาตในระหว่างตนกับผ้านั้นนะอันนี้ลัญธาอยู่ในในโคนไม้เราก็เอาเงาแดดในเวลาเที่ยงมันจะแผ่กระจายไปไหนเราก็ไว้ในที่อย่างนั้นเราก็อยู่ในที่นั้นก็ได้ไม่ไม่ถือว่าเป็นการเออยู่ปราหรือถ้ามีเครื่องล้อม ก็เอาเครื่องล้องเป็นเขตในการอยู่ในไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ปราศนะแล้วก็ถ้าอยู่ในในสีมาที่ได้สมมุติติจูราวิปวาร์ถ้าอยู่ในสีมาจะไว้ตรงไหนก็ได้ในสีมาถ้าสีมาใหญ่เช่นสีมาผูกครอบวัดนอยู่ในวัดแต่ว้ตรงไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นการอยู่ปราดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะสีมาที่ผูกครอบวัดแล้วก็ฝูงเฉพาะโรงโบูมบกเท่านั้นเองนะ หรืออยู่ในเขตป่าเรียกว่าสัตตับพันธระสีมาอันนี้ก็ขั้นกำหนดใหเ้เก็บอับพันดรนโดยรอบสี่สิบเก้าวาโดยรอบถ้าอยู่ในป่าเนี่ยก็เอาไว้ในในช่วงระยะ49สี่สิบเก้าวาโดยรอบที่เรานอนนั้นก็ไม่เป็นอันอยู่ปราดเหมือนกันนี่การอยู่ปราดก็เป็นกาหนดอย่างนี้นั้นก็เพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่ า, เ, าเราอยู่ในกุฏิใดที่มี เครื่องล้อมก็เอาเครื่องล้อมนั้นน่ะเป็นเขตถ้าอยู่องเดียวถ้ากุฏินั้นไม่มีเครื่องล้อมมีแต่กุฏิอย่างเดียวก็เอากุฏิเป็นเป็นเขตนะเอากุฏินั้นเป็นเขตถ้าเราอยู่องค์เดียวหรือว่าถ้ากุฏินั้นอยู่หลายรูปหลายองค์ก็กําหนดเอาห้องเป็นที่อยู่ของเราเป็นเขตหรือในห้องนั้นมีหลายองค์ก็พึงเอาหัตถบานเป็นเขตไม่อยู่ปราดจากสายจีวร นะฉะนั้นก็จะต้องรู้และก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดนสิสกิยาปาจะตีในข้อนี้ทีนี้การอยู่ปราดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเ อ, อ, อยู่ปราว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ปราไม่ได้เลยที่จริงก็อยู่ปราดได้เมื่อเราได้จําพรรษาครบไรมาสามเดือนแล้วและก็ได้อานิสงส์กฐินก็อยู่ปราจากแต่จีวรได้จนถึงกลางเดือนสิบสอง ถ้าได้กลางกาถินแล้วอานิสงส์นั้นก็จะถึงกลางเดือนสี่ก็อยู่ปราศจากได้อีกไปไหนไม่ต้องเอาใจจิตวิไปครบสําหรับจนถึงกลางเดือนสี่อันนี้ปราศได้ในช่วงนี้ถ้านอกจากช่วงนี้ไปแล้วปราศจากแม้แต่คืนเดียวไม่ได้คือเป็นอบัตินะเป็นนิสสกิยปาปาจิตติเจ้าของเป็นปาจิตตีถ้าเป็นนิสสกิยะจําต้องเสียสละอคําเสียสละนี้เราก็จะต้อง ท่องนะจึงจะได้เพราะเป็นคําบาลีถ้าเราไม่ท่องก็จําไม่ได้แต่ท่องให้มันขึ้นใจในคําเสียสละให้แก่ผู้อื่นก่อนเมื่อเสียสละให้แก่สงฆ์ให้แก่คณะให้แก่บุคคลแล้วเราก็แสดงอับัติตกเมื่อเสียสละแล้วเนี่เอก็ต้องทําการเสียสละจริงๆนะไม่คิดเราจะเอาคืนแต่ตามธรรมเนียมที่ดีงามเมื่อเสียสละไปแล้วผู้ที่รับไปก็จะต้องให้คืนเจ้าของถ้าไม่ให้คืนท่านก็เป็นอับัติทุกโกรเหมือนกัน ก็ต้องให้คืนเจ้าของก็เป็นธรรมเนียมอันดีงามที่จะต้องมีต่อกันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนสหธรรมิ ก, ท, กทุกท่านที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาก็ให้มีสุขภาพอนามาัยดีทุกทุกองกขอสวัสดีวันนี้ก็ มามาเรียนพระวินัยต่อก็จะได้พูดถึงพระวิ น, นัยในนิสกียาปาจิตติต่อจากที่แล้วอครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงสิกขาบทที่สองแห่งนิสกียาปาจิตติวรรธน์ที่หนึ่งคือจีวณวรรธซึ่งได้กล่าวถึงการอยู่ปราศจากไตรจีวรแม่คืนหนึ่งก็ต้องเป็นนิสกียาปาจิตติแต่ เราก็ต่อเป็นสิขาบทที่สามเลยตอนสิขาบทที่สามแห่งนิสขยปปจจตีวรที่หนึ่งคือจีวอลวรนั้นความว่าถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่พิกสุพิกสุมีความประสงในการที่จะทำจีวรแต่ว่ายังไม่พอถ้ามีที่หวังว่าจะได้มาอีกคือเจ็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเก็บไว้เกินเดือนหนึ่งไปแม้ถือยังมีหวังว่าจะได้อยู่ต้อง น, นิสกิยปาจิตติข้อความควรกำหนดในในสิกขาบทนี้ก็คือเรื่องของจีวรที่เกิดขึ้นนอกการน้นคำว่าอาการจีวรนั้นหมายถึงจีวรที่เกิดขึ้นนอกเขตจีวร ก, การ นอกเขตอานิสงฆ์ถิ่นเรียกว่าอากาลลชีวอนนะนี้อาการราชีวอนนั้นก็คืออตัตเลกีวรนนั่นเองแต่ว่ามันต่างกันอยู่ที่ผ้านี้เกิดขึ้นแก่พิสุและก็พิสุที่จะทาประสงค์จะทำจีวอนแต่ยังไม่พอนะและก็มีหวังว่าจะได้มาอีกอันนี้ท่านให้เก็บอาการลาชีวอนไว้ เดือนหนึ่งเป็นอย่างมากถ้าไม่ต้องการในการที่จะทําหรือไม่มีหวังที่จะได้มาอีกเช่นนี้ก็เก็บผ้านี้ไว้ได้เป็นแค่สิบวันเท่านั้นคืออายุผ้าเนี่ยจะมีเพียงแค่สิบวันเท่านั้นหรือมีที่หวังแต่ว่านานกว่าหนึ่งเดือนจึงจะได้ก็เก็บไปได้แค่สิบวันนี่เป็น <c oughs> อายุของผ้าทีนี้การจีวรที่ว่านั้น หมายถึงแค่ไหนอาการจีวร น, นั้นได้แก่เขตที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุแสวงหาจีวรผัดเปลี่ยนจีวรได้เมื่อภิกษุอยู่จำพรรษาท้วนไตรมาสสามเดือนครบแล้วราวนาออกพรรษาในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเป็นฤดูฝน คือท้ายดูฝนหนึ่งเดือนนี้เป็นกาละจีวอนคือเป็นเขตที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุผดเลี่ยนจีวอนได้นี่เดยกว่าการจีวรนทีนี้ถ้าหากว่าภิกษุนั้นหรือว่าได้รับผ้าสถินได้อเอกสากรสถินแล้วก็การจีวอนนั้นก็จะยืดไปถึงกลางเดือนสี่นี่เป็นกาละจีวอน ถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุนอกจากเขตดังกล่าวนี้เรียกว่าอาการละจีบอล น, นั้นอาการละจีบอล น, นั้นถ้าไม่มีความประสงค์ในอันที่จะทําจีบอลไม่ไม่มีความประสงค์ในอันที่จะทําจีวอลก็เก็บได้แค่สิบวันถ้ามีความประสงค์ในการที่จะทําจีวอลแต่ยังไม่พอและยังมีที่หวังว่าจะได้มาอีกก็เก็บไปหนึ่งเดือนแค่นี้ ดังนอาการละจีวร น, นี้ก็ในปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยจะัมนนีเท่าไหร่เพราะว่าโดยมากละจีวรนที่เกิดขึ้นแก่บีสุก็มากจะสิ้นทุกข์มาแล้วก็จึงไม่ได้เก็บไว้เพื่อประสงค์จะทําจีวรในการต่อไปทีนี้ถ้าหากว่า <c oughs> เราเก็บผ้าไว้แล้วได้จีวอนมาจะทําอย่างไรอันนี้ท่านให้คํานวณอายุของผ้าเป็นหลักเช่นเก็บอาการละจีวรไว้แล้วได้จีวรมาใหม่ คือมาเติมพอที่จะทำได้แล้วก็พึงกำหนดด้วยอายุแห่งผ้าที่เก็บไว้ดืมอายุแห่งผ้าที่ได้มาใหม่ข้างใดอายุน้อยก็พึงรีบทำให้ทันกับอายุของผ้าข้างนั้นเป็นหลักถ้าเก็บมาได้เกินสิบวันไปแต่ยังไม่ครบเดือนจึงได้พามาใหม่เนื้อของผ้านั้นผิดกันมากจะไม่ทำก็ได้ หรือได้ผ้ามาใหม่จะจวนขึ้นกำหนดทำไม่ทันก็เป็นอธิษฐานเป็นบริขารอย่างอื่นใช้หรือม่เก็บอวิกลับเพิ่นให้แก่คนอื่นเสียแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเก็บไว้นั้นเกินเดือนหนึ่งไม่ได้นี้่ผ้าร่วม ก, กระหม่อมนั้นเป็นนิสกิยะปฏิตีก็จําเป็นต้องเสียสละไม่เสียสละก็เป็นอบัติ นะในสิขาบทที่สามซึ่งก็ไม่มีอะไรที่สําคัญนะก็สิขาบทนี้ก็พอผ่านได้ทีเรามาศึกษาสิขาบทที่สี่นยจีวณวักสอนสิขาบทที่สี่นั <c> ้น <oughs> ความวาพิกษุใช้แางพิกสุณีที่ไม่ใช่ญาตให้ซักก็ดีให้ย้อนก็ดีให้ทุกก็ดีซึ่งจีวณเก่าต้องพิสุทิยปาจิตติ แล้วข้อความที่ควรกําหนดในสิ่ขาบทนี้ก็คือคําว่านางภิกษุณีคําว่านางภิกษุณีนั้นหมายถึงอะไรภิกษุณีนั้นก็เป็นอ่าผู้ที่เป็นสตรีแต่ว่าออกบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนกับภิกษุโกลผมตรงหนวดตัดเล็กเหมือนกันคือศีนสามร้อยสิบเอ็ดเรียกกันว่าภิกษุณีนี พิษุลีต้องบวชในสองสองฝ่ายคือบวชในฝ่ายพิสุลีสองและก็บวชในฝ่ายพิสุสงด้วยจึงจะสําเร็จรูปเาเป็นนางพิสุลีได้สมัยนี้ไม่มีเพราะว่าพิษุลีสงได้หมดไปแล้วตั้งแต่สมัยอครั้งพุทธกาลและก็ปรากฏเห็นในในบางแห่ง หลังพุทธกาลก็มีมีปรากฏอยู่บ้างแต่ว่าสันนิษฐานว่า <c oughs> ในสมัยที่ใกล้จะนับขันที่พระนิพาพานพระนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ปรากฏมีพิกษุณีแม้แต่ตอนพระนิพพานแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีพิกษุณีดมาเฝ้ามาแสดงความอาลัยในการที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จ ส, สับขันธภิกษุผ่านไม่มีประวัติภิกษุณีมา ก็มีแต่ภิกษุและก็ <c oughs> มีพุทธบริษัทจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาน่าจะอันตรธานหายไปแต่ก็มาปรากฏในภายหลังก็มีนางสังฆพิตาเป็นพิษุลีก็ปรากฏอยู่เหมือนกันก็ยังพอมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วพิสุณีไม่มีไม่ปรากฏฉะนั้นการที่จะใช้เพศพิสุลีซักในปัจจุบันก็ไม่มีเลยแต่ว่าเมื่องสีขาบทได้บัญญัติไว้อย่างนี้เราก็ต้องศึกษา ให้เกิดความเข้าใจตามสมควรอาภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักให้ย้อมให้ทุบกว่็ดีซึ่งกีวอนเก่าที่คําว่ากีวรเก่านั้นหมายถึงเก่าขนาดไหนท่านบอกว่ากีวอนเก่าก็คือกีวอนที่ใช้แล้วนุ่งห่มแล้วแม้คราวเดียวก็ชื่อว่ากีวอนเก่ากีวอนเก่านี้ตับภาษาบาลีว่าปูระกปูอ่ะ ป, ปูรักจีวรังนะปุรักจีวรัง วิกิวล hmm. 네์เก่าล so ักษณะแห่งอบัตในในที่นี้ว่าให้ซักขยอมหรือให้ทุกเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเป็นประโยคแห่งนิสกิยะหรือแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นประโยคแห่งนิสกิยะอให้ทําอย่างนั้นสองอย่างหรือแม้ทั้งสามอย่างรวมกันการทําอย่างแรกเป็นประโยคแห่งนิสกิยะการทําอย่างหลังแต่ละอย่างเป็นประโยคแห่งทุกกฎ ใช้ให้ใช้ให้ซักผ้าปูนั่งผ้าปูนอนหรือผ้าอะไอผ้าอย่างอื่นเป็นอาบัตทุกกดถ้าจะเป็นจีวรแล้วก็ถ้าเป็นจีวรเก่าเป็นนิสกิยะถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นอาบัตทุกกดในสิกขาบทนี้ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันที่ไม่เป็นอาบัตก็คือหนึ่งพิษณุณอผู้ที่เป็นญาติหมายถึงว่าเราใช้พิษณุณีที่เป็นญาติให้ซักให้ ให้ผูกให้สางนั้นได้และก็ะสองไม่ได้ใช้แต่เขาทำเองคือพิสูจนไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเขาเอาไปทำเองเขาเอาไปซักเองสามจีวร น, นั้นใหม่คือจีวรใหม่ๆยังไม่เคยใช้เลยก็ไม่เป็นอับาสสีใช้ให้ซักแต่ว่ามันเป็นบริขารอื่นแล้วก็ไม่ใช่จีวรเก่าด้วยอาชีขาบทนี้ก็ที่บรร ญ, ญัต เช่นนี้ก็เคยมีประวัติมูลบัญญัติต้นเหตุแห่งการบัญญัติสิขาบทนี้ขึ้นมาก็เกี่ยวกับพระอุทัยนะี่พระอุทยีนี้เมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ที่กระทําให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิขาบทหลายสิขาบทด้วยกันแล้วก็ภรรยาเก่าของพระอุทยีก็ออกบวชเช่นเดียวกันเป็นออกบวชเป็นนางพิกษุณี เมื่อออกบวชทั้งสามีเป็นภิกษุภรรยาก็เป็นภิกษุณีออกบวชแล้วก็ไปมาหาสู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่เรื่อยแต่ต่างก็ยังอรักษาสีขาบวชอยู่ตามสมควรเหมือนกันในประวัติกล่าวว่าทั้งสองไปมาหาสู่กันนั้นก็พูดคุยกันในความใกล้ชิดที่เคยเป็นภรรยากันอยู่ก่อนก็กเป็นของธรรมดาก็ยังมีอยู่ บังว่าในวันหนึ่งนั้นทั้งสองพูดคุยกันแต่ว่าการพูดคุยกันในลักษณะที่ว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็ไม่ได้ระมัดระวังหรือก็อาจจะเจตนาจงใจก็ได้ทั้งสองก็จึงเ อ, อเรียกว่าเปิดของที่ไม่ควรเปิดให้กันและกันดูน้อเปิดใท้สิ่งของที่ไม่ควรเปิดให้ซึ่งกันและกันดูก็ปรากฏว่าเอ่าทายิีนั้นก็เกิดราคากำไร ก็ทําให้อสุจิเคลื่อนออกมาแล้วก็เปื่อนกี่โหวเปื่อนสมบุมขึ้นมาเนื้อเปื่อนสมบุมนั้นอภรรยาที่เคยเป็นออนางพิศนีที่เคยเป็นภรรยาเก่าก็เอาไปซักเอาไปซักก็เพ ร, ร, ร, ราะความวิจารณ์บางอย่างบางประการอย่างไงไม่ทราบก็ได้กินน้ําอสุจินั้นด้วยแล้วก็เอาน้ําอสุจินั้นยัดเข้าไปในอ สิ่งที่ไม่ควรก็ไปก็ปรากฏว่าไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็ปรากฏว่ามีท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องขึ้นมาถึงพระพุทธเจ้าอ่าจึงได้ทราบความภายหลังก็บรรยายสิขาบทนี้ขึ้นมาไม่ให้ภิกษุใช้ให้นางภิกษุณีเนี่ยไปซักนะไปซักไปอะไรเพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอ่า อ, อันนี้สิขาบทนี้เป็นเหตุเป็นมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็จึงไม่ใช้ให้ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ ให้ซักให้ย้อมหรือให้ทุกซึ่งจีวรนะแต่ปัจจุบันก็ไม่มีภิกษุณีแล้วอาสุนต่อไปสิกขาบทที่ห้าสิขาบทที่ห้านั้นภิกษสสุรับจีวรแต่มือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเล้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันก็ต้องนิสกีญาปาริเติงข้อ น, นี้ก็สิ่งที่ฟณกํำหนดก็คือการแลกเปลี่ยน คือตั้งไว้เพื่อจะให้ไม่ให้ภิกษุเนี่ยสิขาบทนี้ก็บรรัุไว้จะไม่ให้ภิกูุรับของแห่งนางภิกษุณีผู้มีราบน้อยถ้าสมควรจะรับก็ต้องให้แลกเปลี่ยนกัน<ม>โดยเป็นของที่มีค่าเสมอกันนะเป็นของที่มีมีค่าเสมอกันลักษณะแห่งอาบัตในสิขาบทนี้ก็คือว่าต้องทั้งเพราะทำต้องทั้งเพราะไม่ทำนะคือว่ารับยีโอน แต่ไม่ทําการแลกเปลี่ยนก็ต้องอับัดเหมือนกันก็เพื่อไม่ให้พิสุรับอของจากนางพิษุตีซึ่งมีราบน้อยอะไรก็จะรับทั้งหมดพิษุตีคงมีราบน้อยก็ยิ่งจะไม่ได้อะไรกันมากขึ้นนะก็เพราะความเป็นอยู่ของพิษุณีนั้นเหมือนพระสงฆ์คือราบศักระไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนกันสมณีกับพระสงฆ์อะไรพระอนั้นได้ไปในงานต่างๆจะเป็นการเจริญพระพุทธมนตว์มนต์อะไรต่างๆพระได้ไปบ่อยแต่สมเณีไม่ได้ไปลาบก่านน้อยอย่างนี้ พิสุลีก็เหมือนกันแหละก็ไม่มีใครไปนิมนต์จี่ไหนรับสักการะก็ไม่กดมีเท่าไหร่ก็จึงได้บัญญัติสิขาบทนี้ไม่ให้พิสุไ ป, ปรับของหรืจากมือนางสุนีให้มากนะักถ้าจะรับก็ได้แต่ต้องแลกเปลี่ยนกันสิขาบท ต, ต่อไปก็คือสิขาบทที่หกพิสุขอจีวรนต่อขระหะที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องวิสกียะปาจิตีเว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอจีวอนได้ คือเวลาีิสูจนมีจีวรอันโจรละไปหรือมีจีวรอาจสิบหายเสียข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีเพราะเกี่ยวกับเรื่องการขอขอนี้พิสูจเราก็เป็นผู้ขอแต่ก็มักจะขอกันเกินไปฉะนั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าขออย่างไรจึงจะไม่เป็นอบัติขออย่างไรจึงจะเป็นอบัต ก็คุณรู้ว่าคราหัตในที่นี้หมายถึงอะไรใครฆราหัตในสิกขาบทนี้ก็หมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ทิกสุไม่ใช่สมมเณีไม่ใช่ทิกษุนีไม่ใช่สิขามานาและก็ไม่ใช่สัมณีรีก็คือผู้ครองเดือนทั่วไปเรียกว่ากาันคำเรียกกันว่าคราหัตเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวงวารนาคำว่าไม่ใช่ญาตินั้นก็คือ หมายถึงคนที่ไม่ได้เลื่องถึงกันทางมารดาคือแม่ก็ดีทางบิดาคือพ่อก็ดีตั้งหลอดชั่วเจ็ดบุรพชนกคือนับการนับมั้นเขานับว่าตั้งชั้นชั้นแรกก็คือนับตนเราเป็นหนึ่งข้างบนสามข้างนั่งสามรวมเป็นเจ็ดส่วนผู้ที่เป็นเขยหรือเป็นสะพายนั้นไม่ได้นับว่าเป็นญาตินะ นั้นการนับญาติในทางาพระวินัยก็นับกันชั่วชั่วเจ็ดบุรุษนะเราหนึ่งข้างบนข้างบนแล้วก็ข้างล่างอย่างละสามข้างบนนะขางบนก็นับแต่พ่อนะพ่อของพ่ออพ่อของพ่อไปอีกพ่อของปู่เข้าไปอีกนี่เป็นสามลงมาข้างล่างกันลูกหลานเลนีเราพอจะเห็นกันได้อย่างนี้เราขอได้ในช่วง ั่วเจตระยะคนนี้พอขอได้นะถือว่าเป็นญาติกันเนื่องถึงกันที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นญาติอย่างนี้ถื อ, อว่าไม่ใช่ญาติตส่วนไม่ใช่ปวารณานั้นก็คือคนที่เขาไม่ได้บอกไว้ว่าให้ขอได้นะคนที่ปวารณาก็หมายความว่าเขาปวารณาว่าถ้าพระคุณเจ้า มีความประสงค์อะไรประการใดที่เป็นไปแห่งสมณะสารูปที่จะพึงใช้ได้แล้วก็ให้บอกโยมโยมจะถวายอย่างนี้ก็เระยกว่าปวารณาแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นนั่นคือคนไม่ใช่ปวารณาหรือไม่ได้ปวารณาเอาไว้นักปิโสไปขอจีรต่อคนที่ไม่ใช่ญาติและคนที่ไม่ใช่ปวารณาคือไม่ได้บอกไว้ ได้จีวรมานั่นเนี่เป็นนิสกิยะปาจิตีเว้นไว้แต่สมัยนะเว้นไว้แต่สมัยคําว่าสมัยก็คือที่สุถูกจีวรอันโจรลักไปคือถูกเขาขโมยไปอ่ยก็มีในสมัยครั้งพุทธ ก, กาลนี่มีการลักการขโมยจีวรกันก็มีเยอะเหมือนกันแต่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีได้เหมือนกันโคลทีลักจีวร ถูกโจนขโมยเอาไปไม่มีอะไรจะนุ่งหม่มอย่างนี้ก็จาเป็นต้องขอขอได้นะขอจีวนต่อคาถ์ที่ไม่ใช่ญาติและก็ไม่ใช่ปวารณาได้ส่วนผู้ที่เป็นญาติหรือผู้ที่ปวารณานั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้กันว่าขอได้ตลอดนะเป็นญาติเราขอได้ตลอดหรือผู้ปวารณาปวารณาไว้อย่างไรก็ขอได้อย่างนั้นนะที่ ที่มีสมัยนี่หมายว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่บวรณาแต่ถ้าทิกษูมีจีวรหายแล้วก็คือถูกโจยชิงเอาไปแล้วก็ขอก็ได้กับฆราทที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่บวรณานะหรือจีวรที่ถูกไฟไหม้ทิพไห้ด้วยประการใดประกา ร, น ร, การหนึ่งก็ขอจีวร น, นั้นได้จากฆราอขอได้เหมือนกันในลักษณะแห่งอาบัติในสิ่ขาบทนี้ อเป็นอว บ, บตุกกฎในประโยคที่ขอนีหมาย้ึงว่าประโยคที่เข้าไปขอเนี่ยเป็นอว บ, บตุกกแล้วขอทุกกฎนิสยาสนี่ไม่ใช่วรนาได้ผ้านั้นมาเป็นนิสกิยะปาริตีก็จะต้องเสียสละแหละถ้าเป็นนิสกิยปาปาริตีต้องเสียสละอาในสีข่ขานธ์บทนี้เป็นอคิตรกนะนะที่จะเข้าใจผิดไม่เจตนาจะทําอย่างนั้นท่านก็ปรับเป็นอวบ เพราะนั้นถ้าเขาไม่ใช่ญาต์หน้ อ, อยู่ก็าตามแครงอยู่ก็าตามสําคัญว่าเป็นญาติก็ตามขอในนี้ใช่สมัยแต่ฤกษ์นาคีและปาจิตตีทางนั้นเรียกสั้นๆว่าติกกะปาจิตตีแปลว่าปาจิตตีสามตัวตสามตัวยังไงก็ลองจับให้จับความตรงนี้นะถ้าว่าสามตัวคือเขาไม่ใช่ญาต รู้อยู่ว่าเขานั้นใช่ญาตินะขอเป็นนิสกิยาปาจิตีแคลนอยู่คือสงสัยว่าเขาเป็นญาติทั้งที่เขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติหรอกสงสัยอยู่แล้วขอเป็นปาจิตีเขาไม่ใช่ญาติสําคัญว่าเป็นญาติขอก็เป็นนิสกิยาปาจิตีเหมือนกันดังนั้น สามอย่างนี้ทันเรียกว่าติกะปาจตีหรือติกะนิสกิยปาจิตีแต่ถ้าเขาเป็นญาติที่ถือสำคัญว่าไม่ใช่ญาติคือที่จริงเขาเป็นญาติแ้วสำคัญผิดไปว่าไม่ใช่ญาติไปขออย่างนุกก็เป็นอน บ, บัตทุกเก์มอนกันเพราะความสงสัยก็ไม่พ้นธรรมดวนะนี่คิขาบวบทที่หกแห่งจีวรวักอ่าขาบทที่เจ็ด แล่ลว่าในสมัยเช่นนั้นจะขอเขาได้ก็แต่เพียงผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่านั้นได้มาต้องให้สกิยาป่าเจตีข้อความควรกำหนดในสิขาบทนี้ก็คือวิธีขอผ้าท่านบอกว่าผ้าหายสามผืนพึงวินดีสองผือนอาผ้าหายสองผืนพึงยินดีผืนเดียว หายเพียงผืนเดียวไม่พึงยินดีคําว่ายินดีก็หมายความว่ารับหรือถือเอาด้วยความพอใจนั่นเองอสี่ขาบที่เจ็ดก็มาจากสี่ขาบทที่หกที่ว่ามีสมัยให้ขอได้คือถูกโจทย์อนลักที่วอลไปหรือถูกผิดหายด้วยประการใดประการหนึ่งให้ขอได้แต่ว่าขอได้ต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์อีกด้วยว่าอาถ้าผ้าหายสามผืนนี่ก็จะขอจากคาราหัดที่ไม่ใช่ญามให้วรรณาได้ ขอได้แค่สองผืนถ้าหายสองผืนขอได้ผืนเดียวถ้าหายแค่ผืนเดียวก็ไม่ต้องขอเขายังมีสองผืนในการที่จะนุ่งห่มปกปิดทางกายได้แล้วแนให้รู้จักการขอให้รู้จักประมาณเพราะว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่พอใจขอผู้ถูกขอเนี่ยเป็นของสำหรับพระพุทธเจ้าก็จิ น, นัญญัติให้รู้จักในการขอว่าควรจะขออย่างไรไม่ใช่ขอตับพึชขอมากขอไม่ แต่ลักษณะแห่งอาบัติในสิกขาบทนี้ท่านบอกว่าในประโยคที่ยินดีเกินกำหนดเป็นทุกข์กอดนะยินดีเกินกำหนดนะได้ผ้านั้นมานั้นเป็นนิสกีเ น, น <ะ S 1> ี่ยสิกขาบทนี้ที่จะไม่เป็นอาบัติท่านบอกว่าก็คือถ้าได้พามาม่าผ้ามามากคือนําไปมากไม่คิดว่าจะเหลือแล้วก็จะเอามาคืนแต่เจ้าของถวายสวนที่เหลือเขาไม่ได้ถวายเพราะเหตุ ผ้าถูกจริงหรือผ้าหายรับมากกว่ากำหนดไม่เป็นอาบัตหมายว่าเราเอาไปก่อนแล้วจะเอามาคืนแน่้นเกิดโยมเ้าถวายนะถวายยังเหตุอื่นไปก็ไม่เป็นอาบัติใ น, นสิขาบทที่เจ็ดสิขาบทที่แปดถ้าฆรหัตที่ไม่ใช่ยากไม่ใช่ะวรณาเขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรแก่พิะสุชื่อนี้ อาภิสุนั้นทราบความแล้วเข้าไปพูดให้เขาถวายจีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มาก็ต้องวิ่สกิลปาริสตีอาที่ขาวบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากาเป็นการไม่ดีไม่งามที่ภิกษุไปกระทาอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็ไปใช่ยากของเราเขาก็ไม่ได้ประวันนาไวแต่เขาพูดว่าเท่านั้นเองเขาจะถวายจีวรแกภิกษุ ชื่อ น, นี้นะแต่พิสูจนั้นรู้แล้วว่าเขาจะถวายจีวรแก่เราก็เข้าไปพูดให้เขาถวายที่ราคานี้นะี่ที่จีวรเป็นเรื่อดีๆราคาเป็นแพ ง, แพงอย่างนี้จึงไม่เหมาะสมในการที่ไปบอกเช่นนั้นนั้นท่านจึงห้ามไว้นะโดยให้ถ้าหากว่า เ, าเราไปอบอกเพื่อนกันแต่บอกให้เขาจ่ายจีวรที่มีราคา น้อยกว่านะยังนี้ไม่เป็นไรนั่นะไม่เป็นอบัติแต่เราให้เขาจ่ายแพงกว่านั้นแหละท่านเป็นอบัติเป็นนิสกิจาปาเจตีอันนี้ก็คือสํารวมและมัตระวังและก็ทําความเข้าใจเมื่อมีใครจะถวายจีวรแล้วก็อย่าไปบอกให้เขาซื้อดีหรือทําดีกว่าเขาจะทํายังไงถวายยังไงเอ่อก็แล้วแต่เป็นเรื่องของศรัทธามาเป็นเรื่องของศรัทธานักศึาบทที่เก้า เพราะว่าถ้าการะหัตผู้ที่จะถวายจีวรแก่พิสุกมีหลายคนแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวารณนาอาพิสุกไปพูดให้เขารวมทุนเข้าเป็นอันเดียวกันเพื่อซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่เขากําหนดไว้เดิมอได้มาต้องมิสกีแะป่าจิตติแต่ความหมายในสี่ขาบทนี้ก็เหมือนสี่ขาบทเออที่ก้าวสิ่ขาบทที่แปดที่กล่าวมาแล้วนแต่ต่างแต่เพียงว่า ต่างคนต่างก็จะหาจีวรมาถวายคนละผืนคล้ายกับอพระที่บวชใหม่ที่พูดที่เป็นญาติพี่น้องก็ถวายคนละผืนอย่างนั้นเลยนิกบิสูเข้าไปพูดให้เขารวมซับเป็นอันเดียวกันจ่ายจีวรแต่พืนเดียวมีลดจานวนให้น้อยลงกว่าแต่เป็นของดีกว่าเน่ก็เป็นของดีกว่าอยู่นั่นเองฉะนั้นจริงไม่ควรกระทำนะ เป็นของที่ดีกว่าก็พึ่งระมัดระวังอยู่ในที่ว่าไปทําให้เขารวนทุนเข้าไปในอันเดียวกันไปซื้อของที่ดีกว่าคือไม่ได้เพิ่มทรัพย์เลยแต่ว่าอไปอยากได้ของดีของงามเพราะตามความเป็นจริงแล้วภิกษุนั้นใช้อของที่ไม่เอสวยงามเรียกว่าใช้ของปอนๆตามสมควรก็เคยมีเช่นอพระโมคคราช ใช้ของที่เป็นผ้าเต้าหมองสีเต้าหมองะมุตธองค์ทรงยกย่องนะในด้านของการเป็นผู้ถือทุนงงฉะนั้นก็ไม่ให้ติดในสีไม่ให้ติดในสิ่งนำงามเงมือ น, นจะถวายอย่างไรก็เพียงใช้ไปตามนั้นไม่ต้องไปแสวงหาในทางที่จะให้ดีกว่าคือบางคนก็จะตะหนี่ตีเตียนเอาได้ไง่ายๆเหมือนกันนิสิสาแบทบที่สิบ ซึ่งเป็นสิขาบทที่สิขาบทสุดท้ายในจีวรวักนั้นความว่าถ้าใครๆนําเอาทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรแล้วถามภิกษุว่าใครเป็นวายาวัจกรของเธอถ้าภิกษุต้องการก็พิมพแสดงวายาวัจกรอครั้นเขามอบหมายแก่วายาวัจกรแล้วสั่งให้จ่ายจีวรแก่ภิกษุภิกษุนั้นเมื่อ เข้าไปหาและทวงกี่วอนสามครั้งท่าไม่ได้พึ่งยืนแต่พอเห็นหครั้งถ้าทวงเกินสามครั้งและยืนเกินหกครั้งได้มาต้องให้สกิยป่าจิตติเมื่อทวงไม่ได้จำเป็นต้องบอกแก่เจ้าของเดิมให้เรียกคืนมาเสียนี่ข้อนีอ้ข้อความที่ควรกำหนดในข้อนี้ก็คื อ, อเรื่องของวยญญาวัจกร อวียาวจกรอืมนั้นหมายถึงอะไรอวียาวจกรนั้นก็หมายถึงผู้ที่เอทํางานในการที่จะช่วยเอาทางสงฆ์ด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นอัคติยะที่พระทำไม่ได้ก็จะให้วัดยาวิยาวจกรนี่เป็นผู้ทําแทนได้ในกฎหมายพระเจ้มัตฑ สองคณะสงฆ์สองพันห้าร้อยห้าก็มีบัญญัติในเรื่องของวัยยาวจกรโดยที่วัยยาวจกรนั้นจะ ร, รับการแต่งตั้งนะแต่งตั้งและก็ผู้จรีรับการแต่งตั้งนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีและก็เป็นคนที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบตามสมควรให้ทำหน้าที่ในการเิกใจในิพพานต่างๆแทนทิกษุตแทนสงเรียกว่าวยาวจกร แต่ว่าในอวัยร้าริกรในที่ที่กล่าวไว้ในพระอะไรคือคบทนีก็หมายถึงคนของวัดคนใดก็หนึ่งก็ได้จะเป็นอุบาสกจะเป็นทา ย, ยกหรือจะเป็นผู้ใดที่ทำงานแทนทำงานช่วยสงหรือว่าเอ า, เอ า, เอาเอาหน้าที่ในการที่จะทำให้จริงที่ประสงค์ทำเองไม่สะดวกช่วยทำอย่างนี้ก็เป็นวัยร้ิกรได้ นั้นถ้าหากว่าแสดงไว้แก่เออแสดงไว้ยาวัจกร น, นั้นท่านก็ให้ผู้ไปเปลยคืออย่าห้ามว่าอย่าสั่งให้เขาให้อย่าสั่งให้เขารับอย่ารับรองว่าผู้นั้นจัดเก็บไว้จัดแรกจัดจ่ายคือไม่ให้สั่งให้ผู้ไปเปลยนะแต่ลักษณะของการเออ่ยืนด้วยการถ่วงท่านบกวาการยืนและถ่วงนั้นในการยืนให้ยืน ครบกำหนดแล้วก็ให้หยุดเสียหรทวงเมื่อทวงกำหดกนดกำหนดแล้วก็ให้หยุดเสียแล้วก็ในการยืนการนั่งการนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรไปยืนเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรถ้าเขาถามก็ว่าเพิ่งรู้เองอย่างนี้นะนั้นเนนี้ก็คนจะไม่มีใครที่จะต้องไปทวงไปยืนอะไรมากมายอยากได้หรือเกินก็คงไม่มีทำแต่ครั้งสมัยก่อนนั้นคงทาได้ เอันนี้ถ้าหากว่าทิกสุทวงและยืนครบกาหนดแล้วเลิกเสียไม่พยายามต่อไปก็วั ย, ยาวัจกรเขาถวายเองก็ดีเจ้าของทวงเอามาถวายก็ดีก็ไม่เป็นอาบัตอะไรก็ใช้ได้เพราะอันนี้เราทำตามพระมีามนายถูกต้องแล้วสำหรับวันนี้ก็เวลาก็หมดแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทัน้งหลายที่สนใจในการศึกษานังสือชั้นตีทุกๆท่ททาน